ลำดับที่8เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2553โดยพระครูธรรมทรคันชิตคุณนุโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐม ขอเจริญพรสําสหรับวันเสาร์นี้เราก็ได้แผ่เมตตากัน40นาทีด้วยกันนะวันนี้เราจะได้มาคุยกันต่อคราวที่แล้วได้คุยในเรื่องของอุบายในการระงับความโกรธ10วิธนะีก็หวังว่าโยมจะได้เอาไปใช้นะเพราะว่าคิดว่าเข้ากับสถานการณ์เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงนี้พอดีนะเจริญพรเมื่ อ, อเอาไปใช้ในเรื่องของการระงับความโกรธแล้วนะโดยปกติแล้วเราก็จะรู้สึกเฉย กับคนที่เป็นคู่เวรหรือคนที่เป็นเรารู้สึกเป็นศัตรูกับเขานะเพราะฉะนั้นถ้ามองดูให้ดีจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเขาเร า, เรามีเขาหลอกมีแค่สภาวะธรรมที่กำลังดําเนินไปเท่านั้นเองนะบุคคลนั้นโดยปกติมักจะติดยึดกับภาวะที่เป็นอดีตที่ผ่านมานะอย่างเราคิดว่าคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรามักจะคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดนะโดยแท้จริงแล้วมันไม่ใช่หรอก อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้สังขารทั้งหลายนะก็คือสิ่งนี้ที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายคือทุกๆคนนั่นแหละนะสัพปปสิ่งทั้งหลายยกเว้นพระนิพพานมีลักษณะคือไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นแล้วดับไปนะภาวะที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวบุคคลก็เหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีอย่างนั้นเราจะไม่ดีตลอดไปได้นะมันไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่คงที่หรอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลา และไม่มีภาวะไดอยู่คงที่เป็นตัวเป็นตนหรืออยู่นิ่งคงที่ไปอย่างนั้นได้ถ้าเรามองอย่างนี้นะเราก็อาจจะมองออกประยดอย่างนี้ว่าบุคคลที่เราโกรธบุคคลที่เราเป็นศัตรูนั้นก็เป็นสภาพธรรมอย่างหนึง่งหรือภาวะธรรมชาติอย่างหดงสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยได้ถูกต้องนะแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยไม่ถูกต้องก็จะเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วนะพึงสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเอาไว้ให้ ม, มากๆหรือสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีต่อทุกคนด้วยการตั้งเจตนาที่ดีกับเขาอย่าให้ความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นนะถ้าอย่างนี้รักษาทั้งตัวเราและรักษาทั้งตัวเขาด้วยนะรักษาทั้งตัวเราแล้วก็รักษาทั้งตัวเขาด้วยเพราะว่าไม่มีใครหลอกที่จะฉาบถูกว่าถูกดา่าถูกตําหนิหรือถูกโกรธ ใช่แต่ไม่ใช่ไม่มีใครอยากถูกทำร้ายไม่มีใครอยากถูกว่าร้ายหรอกตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้เจอบุคคลที่เป็นศัตรูหรือเจอคู่เวรตั้งเจตนาให้ดีอย่าไปว่าร้ายหรืออย่าไปคิดทำร้ายเขาตั้งจิตเมตตาดูว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรถ้าเขากำลังผิดพลาดอยู่ให้ตั้งเจตนาตั้งใจว่าอย่างนี้มองเขาเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับเมื่อเรานั่งสมาธิแล้ว บางทีความโกรธมันก็เข้ามาเนาะบางทีความโลภ ก, ก็เข้ามาบางทีความง่วงก็เข้ามาถ้าเราไปนั่งโกรธว่าทําไมต้งง่วงทําไมฉันชอบคิดฟุ้งซ่านออกไปเรื่อยทําไมฉันจะต้องโกรธด้วยเขานี้เป็นยังไงเอ่ยมันสงบหรือว่ามันยิ่งจะยิ่งหนักมากขึ้นมันกลับยิ่งหนักมากขึ้นฉนันนัก็ฉันนั้นกับบุคคลอื่นๆก็ภาวะทำอย่างหนึ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถูกต้อง ก็เหมือนกับถ้าเรามาเข้าใจตัวเราเองแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นได้ดีใช่ไหมใช่อย่างสภาพที่ไม่ไดีงามเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าเราคุนเคืองจะไม่ต้องไม่คิดทำไมมันโกดขึ้นกับเราทาไมมันเกิดขึ้นกับเร า, มม เ, เ, ราเมื่อไหร่มันจะหายตอนนั้นโยมนั่งไม่ได้เลย น, ะนั่งแล้วคนนี้ยิ่งอึดอาจยิ่งขับคล้องใช่ไม่ใช่แต่ถ้าโยมใจเย็นๆ เ, เอาละมันเป็นสภาพอย่างนี้ใจเย็นๆ น, น ะ, ะแล้วก็ค่อยสังเกตค่อยดู ตั้งเจตนาตั้งจิตใจให้ตีงามให้เกิดขึ้นกค่อยดูดูอย่างรู้เข้าใจดูอย่างรู้เท่าทันแล้วค่อยๆวางออกไปถ้าอย่างนี้มันกลับสงบฉันไหนที่ว่าชันนั้นนะโยมเอามาใช้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเฉพาะในแง่ของตัวของโยมเ อ, เองแล้วในขั้นของการอยู่กับปุคคลอยู่กับสังคมก็เช่นเดียวกันเขาเองก็คือสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เข้ามากระทบทางๆหูจมูกลิ้นกาย อ้าวหรออย่างน้อยที่สุดถอยออกมาสังเกตนะถอยออกมาสังเกตอ้มันธรรมดาธรรมชาติของเขานะเขาก็มีอุปนิสัยอย่างนี้นะเป็นภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะนะมาอย่างนี้เข้ามากระทบแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมพอเขาพูดเสร็จเขาก็ผ่านไปหรือเจอหน้ากันเสร็จเขาก็ผ่านไปก็เหมือนกับสภาพธรรมทั้งหลายถอยออกมาสังเกตแบบนี้แล้วจิตใจเราผ่องใสดีงามจากนั้นเราจะสามารถแก้ไขได้ตามเหตุตามปจาัจจัย แต่ถ้าเราโกรธเมื่อไหรก็เหมือนเรานั่งสมาธิแล้วมันไม่ยอมสงบแล้วเราโกรธอะ่ะเมื่อไหรมันจะสงบทำามันไ ม, ไม่สงบมันคิดมากได้เกินจะต้องไม่คิดนะคราวนี้เรายิ่งอึดอัดเลย น, ะนี่แหละวิธีการนะย่มได้ฝึกกรรมาฐานแล้วให้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นก็คือสภาวะธรรมอย่างนึ่งที่เข้ามากระทบนะตอนที่เรานั่งกรรมาฐานนั้น เราลับสิ่งที่เข้ามากระทบทางด้านจิตใจได้อย่างไรพึงเอามาใช้กลับต่อที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเดียวกันเพราะใจมันจะรับต่อฝึกเฉพาะโยมก็จะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และถ้าโยมทำอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของโยมมันจะกลับกลายเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้ฝากเอาไว้เป็นหลักเพราะว่าโยมบางท่าน มาอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมานั่งอย่างนี้เลาวอาจจะไปเอาไปใช้อย่างไงเนาะอุบายล้วรับความโกรธหรือว่าอะไรแบบนี้นั่งตอนนี้มันก็สงบดีแต่พอออกไปไปเจออีกทําไมมันหุ่นวายอีกก็เพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาไงเราไม่ได้ถอยออกมาพิจารณามันเราไม่ได้สังเกตมันตามสภาพธรรมเราไปมองเป็นตัวตนบุคคลเราเขามันจึงเกิดอาการเช่นนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นให้สังเกตเป็นสภาพหรือภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เข้ามากระทบใจเรารับรู้แต่รู้เท่าทันมัน เหมือนกับตอนที่เราปฏิบัติกับมรรานั่นเองเมื่อกี้ตอนปฏิบัติัแรกหลายๆคนก็จิตใจยังไม่ค่อยสงบใช่ไหมมันคิดนู่นคิดนี่ว่าวุ่น ว, น ว, นวายอยู่แต่พอเราเราทําไปเรื่อยๆเป็นยังไงมันก็ค่อยสงบลงมาเองใช่ไหมมันไม่ได้สงบปุ๊บปั๊บหรอกมันจะค่อยสงบทีละน้อยทีละน้อยฉันได้ก็ฉันนั้นในแง่ต่อภาวะภายนอกถ้าทีวเจตนายอย่างนั้นให้ทําต่อคนอื่นๆด้วยเมื่อเข้ามากระทบเมื่อกี้ให้แผ่เมตตาคืออะไรไม่เป็นไร ตั้งใจไว้ดีตลอดไม่ว่าภาวะไม่ดีอะไรเกิดขึ้นในใจเราตั้งใจไว้ดีเรามีความสุขนะหรือคนที่เรารักมีความสุขนะทุกๆคนมีความสุขนะหรือแม้กระทั่งศัตรูมีความสุขนะจะเห็นว่าเราทําไปเรื่อยๆจิตใจเป็นยังไงพรุ่งพร่านหรือสงบเหยสงบลงฉันในก็ฉันนั้นในแง่ของภายนอกนอกจากท่าทีของจิตใจแล้วการพูดและการกระทําทําอย่างที่เราตั้งเจตนาในด้านของจิตใจ เจอนะครับอ้าวพอให้เธอมีความสุขนะมีอะไรช่วยได้ช่วยนั่งพูดคุยกันนะท่าทีก็สแสดงออกด้วยท่าทีที่เป็นมิตรนั่นแหละคือการปฏิบัติกรรมฐานอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ในด้านจิตใจใช่ไหมมันจะเพิ่มในเรื่องของกายกรรมและวิจีกรรมเข้ามานอกจากมนโนกรรมตอนที่เรานั่งเรานั่งกรรมฐานทําอย่างเดียวกันแต่โยมต้องทําบ่อยๆ <c oughs> นะไม่ใช่จะทำสองครั้งแล้วจะเลิกใช่ไหมก็เหมือนเมื่อกี้เรานั่งเนี่ยโยมตั้งใจกี่ครั้งแล้วมันหลุดออกไปกี่ครั้ง ก็ตังต้งใจทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกใจเย็นๆค่อยทำแล้วจิตใจมันก็เปลี่ยนใช่ไหมฉันนั้ น, นก็ฉันนั้นกับภาวะภายนอกและสภาพภายนอกตั้งใจพูดดีกับเขาบ่อยๆทําดีกับเขาบ่อยๆให้หรือเผยแผ่แบ่งปันกับเขาบ่อยๆเจอหน้า ก, นกันก็ยิ้มให้เขาบ่อยๆแล้วภาวะที่เป็นศัตรูภาวะที่เป็นคู่เวรแบบนี้มันจะค่อยๆหมดไปก็อย่างที่พระจริยาวัรของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาได้เอามาเล่าให้ฟัง เรื่องของพระเจ้าศีลวะจําได้ใช่ไหมเรื่องของพระเจ้าศีลวะขนาดโดนยึดพลังนะแต่ก็ยังตั้งใจทําดีให้อาภัยได้ทําดีกับเขาจนกระทั่งเขากลับตัวหรือแม้แต่ในเรื่องของธรรมปารกุมารขนาดโดนทําร้ายยางหนักถึงขั้นเอาชีวิตก็ยังให้อาภัยได้เราเอาเนี้เป็นมาเป็นแบบอย่างเลยหรือช้างฉัดทัน นะหรือพยาวานนนะ์หรือพยากระบีนั่นะแหละนะเอามาเป็นแบแบบอย่างพยานาคพ้ริทตตะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ต่อว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้ศัตรูได้แล้วนะเมื่อเรารับความโกรธจิตใจเราจะรู้สึกเฉยๆกับเขาจากนั้นเรายกจิตแผ่เมตตาโดยการยกจิตขึ้นแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาถ้าเราทําได้คล่องแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ขั้นต่อมาในการเจริญเมตตากรรมาฐานให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นก็คือขั้นที่เราเรียกว่าทำสีมาสำเพ็จทำสีมาสำเพ็จทำสีมาสำเพ็คืออะไรคือการแผ่ออกไปยังบุคคลกลุ่มต่างๆโดยที่เรามีจิตเมตตาเสมอเหมือนกันหมดแผ่ได้ในระดับนี้จะไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเรา เป็นตัวเราคนที่เรารักคนที่เป็นกลางๆงหรือคนที่เป็นศัตรูคู่เวรละเพราะฉะนั้นวิธีการท่านก็เลยจะให้เริ่มแผแม่เมตตาให้ตัวเราแผแ่เมตตาให้คนรักแผ่เมตตาให้บุคคลที่เป็นกลางกลงและแผแ่เมตตาให้เป็นคู่เวรให้คนที่เป็นคู่เวรแผ่ให้ได้คล่องจนกระทั่งจิตสงบตั้งมัน่นจากนั้นเราจะตั้งใจแผ่ให้บุคคลทั้งสีกลุ่มไปด้วยกัน โดยที่ไม่แบ่งกลุ่มไม่แบ่งชั้นไม่แบ่งวั น, นะละเมื่อกี้ที่แบ่งแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนั่นังมีการแบ่งกลุ่มแบ่งเขาแบ่งเราใช่ไหมในขั้นนี้ไม่แบ่งละแพ่ให้กับทุกๆคนเลยนะไม่ว่าตัวเราคนที่เรารัก ค, คนที่เรารู้สึกเป็นกลางๆคนที่เป็นคู่เวรให้เรารู้สึกเสมอเหมือนกันหมดเราเรียก ว, ว่าแพ่ออกให้คนทั้งสี่กลุ่มโดยมีจิตเมตตาเสมอเหมือนกันหมด ถ้าใครทำได้ตอนนั้นจะไม่มีเขาไม่มีเราคนรักหรือคนที่เกลียดละจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ในภาวะเมตตาจิตเข้าสู่อุปจารสมาธิจะเข้าสู่อุปจารสมาธิถ้าใครทำได้นะจะไม่มีการแบ่งว่าเป็นตัวเขาตัวเราคนที่รักคนที่เกลียดตีกต่อไปละภาษาธรรมะเราเรียกว่าทาสีมาสัมเพส คืรวมทั้งสีแดนหรือรวมทั้งสีกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นบุคคลเสมอเหมือนกันหมดบุคคลที่ทำได้ประสบความสำเร็จในคำภีทั้งกล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าถ้าบุคคลทําสีมาสำเภ็จได้สำเร็จบุคคลนั้นจะไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราคนรักหรือคนที่เกลียดเปรียบเสมือนว่า ถ้ามีเพชฌฆาตต้องการตัดคอคนใดคนหนึ่งในคนสีก่กลุ่มนี้คือตัวเราคนที่เรารักและเคารพคนที่เรารู้สึกเป็นกลางๆหรือเฉยๆและคนที่เป็นศัตรูคู่เวนถ้ามีเพชฌฆาตบอกว่าจะตัดคอคนใดคนหนึ่งในสีก่กลุ่มนี้แล้วให้เราเลือกว่าเราจะให้ตัดคอใครก่อน ถ้าบุคคลที่แผ่เมตตาเป็นสีมาสําเพ็ได้สําเร็จแล้วเขาจะให้ตัดคอใครก่อนเลยเอา้าวใครตัดคอตัวเองก่อนยกมือขึ้นสูงสูงเลยใครตัดคอคนที่เรารักก่อนยกมือขึ้นใครตัดคอคนที่เรารู้สึกเฉยเฉยก่อนยกมือขึ้นใครตัดคอศัตรูคู่เวรเราก่อนยกมือขึ้น ถ้าเป็นสีมาสัมเพสเนี่ยนะท่านบอกว่าจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัดคอใครก่อนเพราะว่าอะไรจิตเมตตาเสมอเหมือนกันหมดแล้วไม่ว่าใครก็รู้สึกเหมือนกันหมดทุกคนนะถ้าคนบอกว่าตัดคอเราก่อนสแสดงว่าเรารักตัวเองน้อยกว่าคนอีกสามกลุ่มนะเรามีเมตตาต่อตัวเองน้อยกว่าคนอีกสามกลุ่มคนที่ให้เลือกคนที่เรารัก คนที่รู้สึก ก, กลางๆแล้วคนที่เป็นศัตรูคูค่เวรก็เหมือนกันสแสดงเขามีเมตตาต่อบุคคลกลุ่มนั้นน้อยกว่าคนอีกสามกลุ่มนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนั้นสภาพจิตยังไม่เป็นสีมาสำเพ็ถ้าเป็นสีมาสำเพ็จะเลือกไม่ถูกละนะเลือกไม่ถูกละนะไม่สามารถเลือกได้นะเพราะคนทั้งสี่กลุ่มนั้นเหมือนกันเหมือนคนคนเดียวกันเลยนะเหมือนคนกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยจึงไม่สามารถเลือกได้ ทำได้อย่างนี้เราเรียกว่ามีจิตเมตตาเสมอเหมือนกันหมดทั้งสี่กลุ่มอ่าอันนี้จะต้องฝากโยมไปฝึกละในเรื่องของการทําสีมาสำเพออาทิตย์นี้ไปฝึกนะในเรื่องของการทําสีมาสำเพอนะหวังว่าฝึกแผ่ให้คู่เวรให้ได้ก่อนแล้วความโกรธให้เวลามาแล้วกี่อาทิตย์เนี่ยสามอาทิตย์ด้วยกันสอนไปในแต่ละวิธีแต่ละวิธีแล้วก็มีแบบฝึกหัดทําทุกวันเลยนะ อยากทาแบบฝึกหัดเมื่อไรจับหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านนะได้ทำแบบฝึกหัดเมื่อนั้นเลยนะดูทีวีเมื่อไหร่นั้นแหะแบบฝึกหัดของโยมแหละในช่วงนี้นะเอามาฝึกในการระงับความโกรธซะนะถ้าจากนั้นฝึกแผ่เมตตาให้คนที่เป็นคู่เวรแล้วก็ทําสีมาสำเพ็นะวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะอธิบายให้ฟังต่อนอกจากทําสีมาสำเพ็แล้วเมื่อคนทําสีมาสำเพ็ได้สําเร็จ ตอนนั้นจิตสงบตั้งมั่นมาเป็นอุปจารสมาธิท่านบอกอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะขนาดนั้นยังไม่เป็นอัปปมัญญาขั้นต่อไปก็คือในขั้นของการแผ่เมตตาให้กับบุคคลต่างๆหรือสัตว์ต่างๆออกไปในขั้นนี้จะแบ่งออกเป็นสามอย่างด้วยกันจะแบ่งออกเป็นสามอย่างด้วยกัน คือ 1. แผ่เมตตาออกไปโดยไม่ระบุบุคคลนะโดยไม่ระบุบุคคลกับ 2. แผ่เมตตาออกไปโดยระบุบุคคลและประการที่ 3. แผ่เมตตาออกไปยังทิศต่างๆทั้งสิบทิศ ท่านจะเริ่มต้นจากโดยไม่ระบุบุคคลก่อนโดยไม่ระบุบุคคลโดยไม่ระบุบุคคลนั้นก็จะแบ่งการไม่ระบุออกไปเป็นห้าอย่างด้วยกันอา้าวมีอะไรบ้างในขั้นนี้เนี่แหละที่เรามักจะเอามาใช้ท่องกันตอนแผ่เมตตาท่องคาแผ่เมตตากันได้ไหมคงจะได้กันทุกคนนะเริ่มต้นจากสัพเพส ต, ตาก่อน สัพเพสตาอเวราหนตุนะอภยาปชาหนตุอนีคาหนตุสุขีอตานังปริหะรันตุนะ <c oughs> อันนี้คือการแผ่แบบแรกให้นึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่ออกไปนะอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้ปยาบาตเบียดเปลียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย จึงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอันนี้เป็นคําแผลโยมเลือกมาจะใช้ทั้งหมดก็ได้หรือเลือกเอาคําใดคําหนึ่งก็ได้แต่จิตใจของโยมต้องรู้สึกถึงสรรพสัตว์กําลังมีความสุขไม่มีเวรภัยต่อกันจริงๆต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับเมื่อกี้ที่อัตมาให้โยมอย่างที่อัตมาได้สอนในคราวก่อนๆเรื่องของแผลให้ตัวเองบุคคลที่รัก ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่คําพูดแต่อยู่ที่จิตใจของเรานะที่รู้สึกถึงความสุขแผ่ออกไปให้กับสรรพสัตว์และรู้สึกถึงสรรพสัตว์นั้นจิตใจกําลังพองสายเบิกบานมีความสุขจริงๆรนะิอันนี้เราเริ่มจากสัพเพสัตตาก่อนจากสัพเพสัตตาถัดจากนั้นท่านก็จะให้แผ่ออกไปนะกลุ่มที่สองก็คือสัพเพภูตาสัพเพภูตาคือพูดทั้งหลาย นะพูดทั้งหลายสัพเพสัตตาคือพูดทั้งหลายนะท่านก็จะให้แผ่ออกไปยังพูดทั้งหลายนะโดยใช้ลักษณะอย่างเดียวกันเลยนะก็คือสัพเพูตาอเวราหนตุอัพยาปชาหนตุอนีคาหนตุสุขีอัตตานางปริหารันตุเพียงแต่เปลี่ยนจากสัตตาเป็นพูดทั้งหลาย จากพูดทั้งหลายก็แร่ออกไปให้กับปานาปานาก็คือสัตว์ที่มีลมหายใจทั้งหลายนะก็ให้นึกถึงสปปรรพสัตว์ที่มีลมหายใจทั้งหลายนะปราศจากเวรภยัยนะไม่มีความพยาบาทบิดเีนยไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีแต่ความสุขกายสุขใจนะสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาภนะูตานี่คือพูดทั้งหลาย เราจะเปลี่ยนจากสัตตาเป็นปานาแล้วก็ภูตาจากสัพเพภูตาแล้วก็จะเป็นการแผ่ออกไปให้กับบุคคลทั้งหลายเราใช้คําว่าปุ ค, คลาแทนคําว่าสัพเพส ต, ตาก่อให้บุคคลทั้งหลายจงปราศจากเวรภยัยปราศจากความพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีแต่ความสุข ก, กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สมัยก่อนท่านจะใช้ภาษาบาลีเพราะฉะนั้นถ้าท่องสัพเพสัตตาได้เราเปลี่ยนแค่คำเท่านั้นเองจากสัตตาเป็นปานาภูตาแล้วก็ปุคลานะแล้วก็อย่างสุดท้ายท่านจะใช้คำว่าอัตภาวะปริยาปนาอัตภาวะปริยาปนาคือขอให้ผู้มีตัวตนทั้งหลาย อัตตะก็คือตัวตนนั่นเองภาวะคือสภาพหรือภาวะปริยาปัญนาผู้ที่มีภาวะเป็นตัวตนทั้งหลายนะจงปราศจากเวรภยัยนะปราศจากความปรสพยาบาทเปลียป่ยนเปลี่ยนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดอันนี้คือห้าอย่างคือการแผ่เ อ, อกไปแบบไม่เฉพาะเจาะจงอตรงนี้สงสยัยไหมว่าไงเอ่ย ปุคลาก็คือบุคคลทั้งหลายนะบุคคลทั้งหลายผู้ที่มีทผู้ที่เป็นบุคคลทั้งหลายยังติดเป็นตัวตบนบุคคลนั่นแหละจริงๆห้าอย่างเนี้ยห้าอย่างเนี้คืออันเดียวกันแต่ท่านใช้สั์แยกออกไปเพราะว่าอย่างสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัพเพปานาสัตว์ทั้งหลายนั้นก็จะหมายถึงผู้ที่มีลมหายใจทั้งหลายแต่ในที่นี้ท่านจะให้แบ่งค่อยๆแบ่งออกไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง เพราะฉะนั้นก็จำห้าอย่างเพราะเราเปลี่ยนแค่คําเท่านั้นใช่ไหมสัพเพสัตตาสัพเพปานาใช่ไหมสัพเพภูตาภูตาคือพูดทั้งหลายสัพเพปุคคลาบุคคลทั้งหลายใช่ไหมบุคคลทั้งหลายแล้วก็สัพเพอัตตภาวะนะก็จำง่าง่ายอัตตาตัวตนภาวะก็คือสภาพปริยาปั น, นาอัตตภาวะปริยาปั น, นา แตภาวะปริยาปนาอันนี้คือการแผ่ออกไปแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะไม่เฉพาะเจาะจงให้เราปั่นทามเมื่อเราทําสีมันสมเพทจได้เสร็จแล้วคราวนี้เริ่มแผ่ออกไปไม่เฉพาะเจาะจงนะอ่าแบบไม่เฉพาะเจาะจงมีคําถามไหมเอ่ยไม่มีนะอย่างที่สองเมื่อแบบไม่เฉพาะเจาะจงแต่แล้วคราวนี้จะเริ่มแผ่แบบเฉพาะเจาะจง แบบเฉพาะเจาะจงนั้นจะเริ่มแบ่งนะเมื่อกี้ห้าอย่างในจริงๆคืออย่างเดียวกันคือสรพสัตทั้งหลายนั่นแหละอย่างเดียวกันแต่ใช้สรพนานแทนแตกต่างตอนนี้จะเฉพาะเจาะจงจะแยกสัตว์ละนะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มละนะแบบเฉพาะเจาะจงนี้ท่านก็จะเริ่มจากแบ่งบุคคลออกเป็นเพศต่างๆมีกี่เพศเอ่ยสองเพศนะไม่มีนะเพศที่สาไม่มีนะสองเพศนะตามธรรมชาติมีสองเพศ ก็คือเพศหญิงแล้วก็เพศชายเพศหญิงเนี่ยในภาษาบาลีก็จะต่างออกไปนิดหนึ่งน ะ, ะคไวยากรณ์ถ้าจะใช้ไม่ใช่จะไม่ใช่คำว่าสัพเพจะใช้คําว่านะสัพพานะสัพพานะเพศหญิงจะใช้สัพพาจะไม่ใช่สัพเพนะส่วนเพศชายนั้นจะใช้สัพนะเพนะเพศหญิงนั้นจะใช้สัพพาอิทธิโยนะอิทธีเนี่ยแปลว่าผู้หญิง ปุริษะหรือปุริโสเนี่ยแปลว่าผู้ชายนะปุริโสนี่แปลว่าผู้ชายก็คือบุรุษนั่นเองใช่อิทธีก็มาเป็นภาษาไทยก็สตรีนั่นเองอิทีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นท่านจะใช้คำว่าสภาอิทิโยนะอิิโยนะสภาอิทธิโยและนอกนั้นเหมือนเดิมทุกประการเหมือนกับสัตา์ทุกทุกประการเลย สภาอิทธิโยก็ขอสตรีทั้งหลายหรือขอผู้หญิงทั้งหลายนะปัจจักเวรไทยนะปัจจักความพยาบาทิเลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เริ่มแผ่ให้ผู้หญิงให้โยมนึกถึงผู้หญิงทั้งหมดเลยหรือเพศหญิงทั้งหมดนะเพศหญิงทั้งหมดเลยจากนั้นแผ่ออกไปให้กับบุรุษหรือผู้ชายก็จะใช้คําว่าสัพเพปุริสานะสัพเพปุริสา ปุริสาก็คือบุรุษนั่นเองนะเขาคือบุรษุษสัพเพปุริสาก็ให้ยมนึกถึงผู้ชายทั้งหมดในโลกนี้เขากำลังปราศจากเวรภยัยกาลังมีความสุขกาลังยิ้มจิตใจกาลังอิม่มเอิบผ่องใสให้นึกถึงผู้ชายทั้งหมดในโลกนี้เลยนะนี่คือสัพเพปุริสาจากนั้นจะแผ่ออกไปให้กับพระอริยะเจ้าทั้งหลายเราจะใช้คาว่าสัพเพ อริยานะอริยะนั่นเองนะอริยะก็อ <c oughs> <c oughs> พอใส่ในเรื่องของวิพัฒน์เข้าไปก็เป็นอริยานอกนั้นเหมือนเดิมนะเหมือนกับสัตานอกกนั้นเหมือนเดิมเป็นสัพเพอริยานะคือพระอริยเจ้าทั้งหลายนะสัพเพอริยาจากนั้นแผ่ให้กับผู้ที่ไม่ใช่พระอริยเจ้า ไม่ใช่อริยะเจ้าจะเติมอะเข้าไปแล้วก็จะมีการแปลงแปลงอะตัวเดิมเป็นณนะเป็นนอนหนูก็เลยจะใช้คำว่าอนัทริยาใช้สัพเพอนัทริยาสัพเพอนัทริยาก็คือผู้ที่ไม่ใช่อริยะบุคคลทั้งหลายผู้ที่ไม่ใช่อริยะบุคคลทั้งหลายได้เท่าไหรนะ่ละสี่ลวนะสี่ละ จากนั้นแผ่ออกไปให้กับเทวดาทั้งหลายก็ให้นึกถึงเทวดาทั้งหลายนะอันนี้เราจะใช้คําว่าสัพเพเทวาอันนี้ตรงตัวเลยนะสัพเพเท ว, วานะก็คือเทวดาทั้งหลายนะจากนั้นแผ่ออกไปอีกให้กับมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายในที่นี้ไม่แบ่งผู้หญิงไม่แบ่งชายละให้กับบุคคลที่เป็นมนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์ก็คือมนุษษาก็จะใช้คาว่าสัพเพมนุษษานะสัพเพมนุษกาก็คือมนุษทั้งหลายนะได้เท่าไหร่ละกี่คู่ละสามคู่รวมทั้งหมด6แล้วนะอย่างสุดท้ายนะก็จะแผ่ให้กับบุคคลที่ทนทุกข์ทรมานอยูนะ่ก็คือผู้ที่อยู่ในวินิบาทนารก ก็จะใช้คำว่าสัพเพวินิปาติกานะวิณิปปติกาก็าวินิบาดนั่นเองนะจํง่ายง่ายวินิบาตนะแต่เวลาว่าเป็นภาษาบาลีจะใช้วินิปาติกาขอให้ผู้ที่อยู่หรือสัตว์ที่อยู่ในวินิปาตะคือพวกอบายภูมิทัางหลายจงปราศจากเวรภัยนะจงปราศจากความพยาบาทเปลี่ยน นะภาสิจากความทุกข์มีแต่ความสุขรวมเป็นทั้งหมดแพร่แบบเฉพาะเจาะจงเป็นทั้งหมดเจ็กลุ่มด้วยกันนะจําได้ไม่เอ่ยนะสภาอิธิโยสัพเพปุริสาแล้วจากนั้นก็ง่ายๆพระอริยะกับไม่ใช่อริยะสัพเพอริยากับสัพเพอนักริยาจากนั้นก็เรื่องของภพภูมิแล้ว เริ่มตั้งแต่มนุษย์สัพเพเทวาเขาภายเริ่มจากเทวดาก่อนสัพเพเทวาสัพเพมนุษยษาแล้วก็สัพเพวินิปาติกานะสัพเพวินิปาติกานะและเริ่มจากเทวดานะผู้ที่มีความสุขมนุษย์แล้วก็ผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเรานะก็คือสัพเพวินิปาติกาก็รวมเป็นแพ่ออกไปแบบเฉพาะเจาะ จ, จงทั้งหมดเจดกลุ่มด้วยกัน ทั้งหมดเจ็ดกลุ่มด้วยกันจำได้นะถ้าแบ่งเป็นคู่ๆอย่างนี้น่าจะทำให้มีหลักในการจำสักนิดหนึ่งต่อจากนั้นจะให้แผ่ออกไปยังทิศ ต, ต่างๆทั้งสิททิศสิททิศนี่มีทิศอะไรบ้างนะก็มีหนึ่งทิศบุรพาบุรพานี่อะไรเอ่ย ทิศบูรพาบูรพาไม่แพ้ใครดูหนังจีนบ่อยบุรพากับปัดฉิมใช่ไหมบุรพาก็ทิศบุรพาตะวันออกนะบุรพาพยักเนี่ยตะวันออกนะบูรพานะทิศบูรพาะท่านก็จะใช้คําว่าสัพเพปุรัติมายะปุรัติมายะก็คือบุรพานั่นเองนะปุรัติมายะ ที่สายะที่ายะก็คือทิศใช่ไหมแล้วก็จะต่อด้วยสัตตานะก็คือสัตว์ทั้งหลายก็คือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศตะวันออกนะอยู่ในทิศตะวันออกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศตะวันออกนะนอกนั้นเหมือนเดิมเลยนะนอกนั้นเหมือนเดิมตอนทิศทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มแผ่ให้สรรพสัสตว์ก่อนแผ่แบบแบบไม่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเมื่อแผ่แบบไม่เฉพาะเจาะจงให้กับ สัตว์ในทิฏ ต, ต่างๆทั้งสิบทิศคูณออกมาจะเป็นทั้งหมดกี่อย่างได้กี่แบบด้วยกันทั้งหมดห้าสิบแบบสิใช่ไหมจำได้ไหมเพราะว่าแผ่แบบไม่เฉพาะเจาะจงก็มีสัพเพสัตตาสัพเพปานาใช่ไหมสัพเพปานาผู้ที่มีลมหายใจทั้งหลายสัพเพภูตาผู้ทั้งหลายสัพเพปุคลาคือบุคคลทั้งหลายแล้วก็สัพเพอัตตภาวะ ปริยาปนานะผู้ที่มีตัวตนทั้งหลายใช่ทั้งห้าเนี่ยแผ่ออกไปทั้งสิบทิศนะแผ่ออกไปทั้งสิบทิศก็จะเป็นห้าสิบแบบห้านสะิบแบบอา้าวลองดูที่ต่างๆทั้งทั้งสิบทิศก่อนนะเพราะฉะนั้นอตมาจะกล่าวเฉพาะสัตตาเท่านั้นนะโยมสามารถไปผ่านเอาเองไดนะ้อย่างที่บอกว่าเวลาฝึกเมตตากรรมฐานถ้าฝึกกันจริงๆจะใช้เวลานานนะฝึกกันจริงๆจะใช้เวลากันนานพอสมควรเลย อ่าเราลองดูทิศแรกทิศแรกก็คือทิศบุรพาเมื่อกี้ได้บอกแล้วสัพเพปุริปุรัติมายะทิสายะสตตานะปุรัติมายะทิสายะสตตาก็คือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศตะวันออกนะแล้วก็นอกนั้นก็เอาเวลาหตุเหมือนกันจากนั้นจากทิศตะวันออกก็ไปยังทิศตะวันตกก็เป็นสัพเพปัจฉิมายะ ทิสายะสัตตาปัจฉิมนั่นเองนะปัจฉิมปัจฉิมายะทิสายะทิสายะก็คือทิศนะสัตตาก็คือสัตว์ทั้งหลายสัพเพก็ทั้งคือทั้งหลายนะจากตะวันออกตะวันตกแล้วต่อไปทิศเหนือทิศเหนือก็คือทิศอุดรใช่ไหมอันนี้ง่ายแนละ้วภาษาไทยก็เป็นสัพเพอุตรายะนะภาษาบาลีอุดร น, นี่จะใช้คำว่าอุตรายะ สเปอุ ต, ตรายะทิสายสะสตาเนะพราะฉนัสัตว์อยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมเอาทิศมาขึ้นก่อนนะก็คือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ยังทิศเหนือนะทิศเหนือนะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยคำขยายจะคล้ายๆกับภาษาอังกฤษตัวหลักเนี่ยตัวที่เป็น ต, ตัวที่เป็นออบเจกตัวที่เป็นประธานจริงๆจะอยู่หลังคำขยายจะอยู่หน้า เพราะฉะนั้นจึงขึ้นด้วยทิศก่อนแต่เวลาแปลเราจะแปลจากหลังมาหน้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะเหมือนกับเวลาเราแปลภาษาอังกฤษนะเป็นไวายากรณ์ของทางบาลีอย่างหนึ่งก็ขึ้นตัวด้วยสัพเพจากนั้นระบุทิศอุตรายะทิสายะสัตตาเวลาแปลก็สัตตก็คือสัตว์ทั้งหลายทิสายะก็คือที่อยู่ในทิศอุตรายะก็คืออุดร สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเหนือสัตว์ที Bref, ่อยู่ในทิศเหนือทั้งหลายสัตว์ที่อยู่ในทิศเหนือทั้งหลายก็คือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเหนือนั่นเองจากนั้นทิศเหนือก็ลงไปยังทิศใต้นะทิศใต้คือทักษิณนะทักษิณนะก็เป็นสเพทักขินายะนะในภาษาบาลีไม่ใช่คําว่าทักษิณใช้ทักขินายะนะสเพ ทักขินายะทิสายะสัตตานะคราวนี้ถ้าจําชื่อทิศได้ยมจดแค่ทิศพอละนอกนั้นเหมือนกันใช่ไหม <laughs> ทักขินายะนะทักขินายะก็คือทิศใตนะ้อันนี้คือสี่ทิศตะคราวนี้มาทิศลองทิศลองนั้นภาษาธรรมะจะใช้คําว่าอนุทิสายะเราใช้ใช้ใช้คำว่าเฉียงใช่ไหมอนุทิสายะก็เริ่มจากทิศบุรพาก่อน สเพปุรัฐ pues ิมายะอนุทิสายะสัตตาในที่นี้ก็คือทิศอาคเนเพราะฉะนั้นทิศอนุทิศเนี่ยจะนับลงมาตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นอันนี้สเพ ปุริธรมายะอนุทิสายะก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะนับลงมานะจะไม่ได้นับขึ้นไปนะอนุทิสายะก็คือทิศน้อยนะทิศน้อยนะทิศหลักก็คือทิศบุรพานะพะ อ, อนุก็ลงมาตามเข็มนาฬิกาลงมาสี่สิบห้าองศาก็คือทิศอาคาเนอาคาเนก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะเราจะทางปรีจะนับแบบนี้นะจากนั้น นับไปที่ทิศตะวันตกสพเพปัชชิมายะนะอนุทิศายะนอกจากนั้นเหมือนกันเลยเปลี่ยนจากทิศายะเป็นอนุทิศายะเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นทิศตะวันตกเฉียงอะไรเอ่ยเฉียงใต้หรือเฉียงเหนือเฉียงเหนือบอกแล้วนับตามเข็มนาฬิกาอนุทิศนี้ให้นับตามเข็มนาฬิกาขึ้นไป45องศานะจำหลักนี้เอาไว้เลยนะ คือบางทีเวลาดูคำส่วนโอ้โหมันยาวต้องจำไม่ไหวแต่ถ้าเรามีหลักนะมันจำสับอยู่ไม่กี่คำเท่านั้นเองนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพอเป็นทิศปัดฉิมก็เป็นสัพเพปัดชิมายะอนุทิศายะสัตตาก็คือสัตว์ที่อยู่ทางอนุทิศของทิศตะวันตก ทั้งหลายอนุทิศก็ขึ้นไปสี่สิบห้าองศาใช่ไหมตามเข็มนาฬิกาก็กลายเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่เหลือไปท่องเองได้แล้วมัง้งใช่ไหมเสร็จ <c oughs> แล้วก็ทิศอุดรก็เป็นอะไรเอ่ยสัพเทอุตรายักอุดรใช่ไหมอนุทิศายักษ์สตาทิศเหนือตามเข็มนาฬิกาสี่สิบห้าองศากลายเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศอีสานั่นเองใช่ไหม จากนั้นก็ทักศินใช่ไหมก็เป็นทักขินายะอนุทิศายะก็จะกลายเป็นทิศใต้แต่ไปาตามเข็มนาฬิกาไปทางตะวันตกก็เป็นทิศ ต, ตะวันตกเฉียงใต้ภาษาไทยบางทีเรียกแล้วงงใ <c oughs> นเวลาแปลตรงนี้เรามันจะงงนิดหนึ่งแต่ภาษาบาลีเนี่ยท่าจะเป็นระบบเลยนะตามเข็มนาฬิกานอนุทิพ ต, ตามเข็มนาฬิกาได้กี่ทิศละ ได้ทั้งหมดแปดทิศละนะต่อจากนั้นก็คือทิศเบื้องล่างทิศเบื้องล่างก็ได้แก่สัตว์ที่อยู่ต่ํากว่าเราลงไปสรพสัตสต์ทั้งหลายที่อยู่ต่ากว่าเราลงไปก็จะเป็นสัพเพเหตุิมายะสะเอหอหีบตปะตะแล้วก็ถอสันฐานสะระอิมอมะสะระอายอยักษ์สะระอสะเพเหตุิมายะทิสายะ สัตตาสัตทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องล่างที่อยู่ต่ํากว่าเราลงไปจากนั้นเหลืออีกทิศเดียวที่ที่สิก็คือทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนท่านจะใช้คําว่าอุปริมายะก็จะกลายเป็นสเปอุปริมายะทิสายะสัตตาครบละ10บทิศ จำแค่นี้พอแล้วที่เหลืออีกเท่าไหร่อะคูณเข้าไปห้าสิบบวกเข้าไปอีกเจ็ดสิบรวมทั้งหมดร2อยี่สิบนยมจะสามารถท่องได้หมดละ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ได้เรา <c oughs> จำอย่างที่จำหลักที่อัตมาบอกไว้สิอา้าวถ้าแบบไม่เฉพาะเจาะจงห้ากลุ่มได้แก่สัพเพสัตตาสัพเพ ปานาสเพภูตาสเพปุคลาสเปอัตะภาวะปริยาปานาคราวนี้ออกไปทั้งทิศสักต่างทั้งสิบทิศก็เป็นสัตาร์สิบทิศใช่ไหมสเพปานาสิบทิศสเพภูตาสิบทิศสเพปุคลาสิบทิศสเพอตะภาวะปริยาปานาสิบทิศท่องได้และ้ะใช่ไหมใช่กลายเป็นเท่าไหร่ละห้าสิบละห้านสะิบแบบ หลังจากนั้นแผ่ให้แบบเฉพาะเจาะจงอีก7แบบอีก7แบบได้แก่สัพเพไม่ใช่สัพเพต้องเป็นสัพพาอิิโยผู้หญิงทั้งหลายใช่ไหมผู้หญิงทั้งหลายทั้งสิบทิศสัพพ า, าสัพเพปุริสาบุรุษทั้งหลายทั้งสิบทิศสัพเพอริยาพระอริยะทั้งหลายทั้งสิบทิศสัพเพ อนัิยาผู้ที่ไม่ใช่อริยะทั้งหลายทั้งสิบทิตต่อมาคราวนี้ก็พบภูมิแล้วก็เริ่มจากสัพเพพบภูมิที่สูงกว่เาเราเทวาสิทิตสัพเพมนุษสาสิทิตสัพเพวินิปาติกาสิบทิตครบแล้วร2อยี่สิ บ, ษษ ส, บ, บ 120, สบายมากเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่จำคีย์เวิร์ดเอาไว้นะคีย์เวิร์ดที่จะต้องจำเยอะก็คือทิศส0บทิฏเท่านั้นเองนะทิฏสิทิเท่านั้นเอง นอกนั้นโยมก็เอามานั่งคูณกันนั่งท่องกันไปอย่างเงี้ยรับรองหายแน่แนโกรธเกิดหายหมดเลยนึกไม่ออกแ ล, กล้วโกรธเรื่องอะไรมานั่งไรกร้อยี่สิบแบบนะคันนี้เราหายโกรธเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจำตัวหลักได้เดี๋ยจะไม่ยากนะคำสวดเนี่ยเป็นเปิดเลยนะเนี่ยอันนี้คำสวด แผ่ไปอย่างที่ต่างๆเนี่ยเป็นปึกเลยนะถ้านั่งท่องโอ้โหวัดบางคนมานั่งอ่านดูท่องไม่ไหวหรอกอย่างนี้มันจะท่องไหวยังไงแต่ถ้ายอมจับหลักได้ไม่ยากเลยใช่ไหมใช่หนึ่งยอมท่องสัพเพสัตตาให้ได้ก่อ น, นสัพเพสัตตาอเวราหนตุอัพยาปชาหนตุ อ, อนีคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุแลปล่อยได้ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทบิดเบี้ยงเรื่องการและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดเปลี่ยนจากสัตว์ทั้งหลายเป็นปานาก็คือผู้ที่มีลมหายใจทั้งหลายย่อมก็จะได้แล้วใช่ไหมเปลี่ยนจากปานาไปเป็นภูตาแบบไม่จะจงห้าแบบจะจงเจ็ดเรียบร้อยแล้วท่องได้เรียบร้อยและ้ะใช่ไหมใช่ ท่องสิบทิศให้ได้สิทิศจะไมา่ยากก็ได้ให้หลักเอาไวล้ละนะบูรพาใช่ไหมปุริทธมายะนะปุริทธมายะนะทิศตะวันตกก็คือปัชิมายะทิศเหนือ อ, อุดรก็คืออุ ต, ตรายะทักขินายะนอกนั้นก็เป็นอนุทิศายะจบเลยใช่ไหมจำแค่สีเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมใช่ และนอกนั้นก็ที่สายะแล้วก็อนุทิ่สายะยมได้ร้อยแปดใช่หัหยใช่จากนั้นก็จำเป็นอะไรเอ่ยทิศเบื้องล่างใช่ไหมทิศเบื้องล่างทิศเบื้องล่างก็คือเหตุทิมายะนะแล้วก็ทิศเบื้องบนอุ ป, ปริมายะนะครบสิบละจริงๆยมไม่ได้จำสิบอะยมจำแค่หกเท่านั้นเองใช่ั้มจำคำศัพท์ให้ได้แค่หกหกบวกหนึ่งก็คือทีสอท่สายะอนุทิศสายะ โยมได้ครบละสิบทิศเสร็จ <c oughs> แล้วก็เอามานะทำคอมบิเนชันกันใช่ไหมไม่เฉพาะเจาะจงห้าเฉพาะเจาะจงเจ็ดเป็นสิบสองคูณเข้าไปอีกสิบทิศโ ย, ยมได้แลร้อย2ี่สิบทิศต่อไปโยมบอกโอ้ยสบายมากนะคำแผ่เมตตาฉันท่องได้หมดแผ่ไปร2อยี่สิบแบบร้อยยี่สิบแบบเอาจากร้อยี่สิบแบบไม่พอบอกว่าอ้าว แผ่แบบมีเฉพาะเจาะจงและไม่เฉพาะเจาะจงด้วยห้าบวกเจดเป็นเท่าไหร่อ่ะห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองบวกเข้าไปอีกร้อยี่สิบเป็นเท่าไหร่สิบสองบวกร้อยี่สิบก็เป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองแบบโอ้สบายมากท่องให้ได้เลย <c oughs> ใช่ไหมท่องให้ได้เลยนะจับจําคีย์เวิร์ดเอาไว้นะจําคีย์เวิร์ดเอาไว้นะโยมท่องสัเพสัตตาบทเดียวได้โยมสามารถท่องได้ทั้งหมดเลยนะหนึ่งร้อยสามสิบสอง แบบด้วยกันแั้หนึ่งร้อยาสิบสองแบบด้วยกันอ้าวมีคําถามอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะอ่าถ้าไม่มีคําถามจะเรียนถอใช้ภาษาไทยก็ได้แต่ว่าที่อาตมาอยากจะให้ต้องภาษาบาลีด้วยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเข้าใจความหมายในภาษาบาลีเวลาเราท่องไปด้วยเนี่ยจิตมันจะซึมซับได้ดีมากกว่าภาษาไทย ลองดูลองทดลองด้วยเองนะอย่างที่สองนะบางทีเวลาเราท่องภาษาไทยเนี่ยเพราะความที่เราคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยบางทีปากว่าไปแต่ใจไม่ได้นึกตามใช่ไหมใช่เนะี่ยไอ้แรกๆเนี่ยอาบาลีเดี่ยเพราะว่ามันยากพอมันยากแล้วต้องคอนเซนเทรตต้องต้องพยายามที่จะอะไรเอ่ยต้องพยายามที่จะนึกใช่ไหมพอพยายามที่จะนึกเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถนึกออกไปเรื่องอื่นได้ พอเราไม่นึกออกไปเรื่องอื่นอยู่กับภาวะที่เราท่องได้มันลืมไปแล้วนะเรื่องโกรธเรืหายหมดเลยใช่ไหมใจก็น้อมไปอยู่กับคําภาษาบาลีตรงส่วนนี้แต่ว่าต้องรู้ความหมายด้วยแล้วใจก็น้อมนึกตามด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สวดแผ่เมตตาให้ได้ร้อยสามสิบสองแบบนะร้อยสบสองแบบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ร้อยสาสิบสองแบบเพราะว่าถ้าเรานับแผ่ออกไปให้กับตนเองแผ่ออกไปให้กับ บุคคลที่เรารักแพ้ออกไปให้กับบุคคลที่เป็นกลางกลงแพ้ออกไปให้กับบุคคลที่เป็นคู่เวรมาอีกสี่ละนะท่องเหมือนกันเลยใช้คำศัพท์อย่างเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนะนะถ้าเป็นตัวเราใช้อหังนะใช้อหังนะอหังสุขิโตโหมินะแล้วก็บุคคลที่รักบุคคลที่เป็นกลางกลางบุคคลที่เป็นคู่เวร รณะนี้โยมจะท่องได้ครบหมดเลยในเรื่องของบทแผ่เมตตาที่แผ่ออกไปนะการท่องนั้นเอามาช่วยในการน้อมจิตไม่ใช่หมายความว่าโยมท่องได้แล้วยมแผ่เมตตาไดนะ้แต่จิตโยมต้องน้อมและรู้สึกอย่างนั้นออกไปจริงๆยังทิศ ต, ต่างๆทั้งสิบทิศนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาออกไปจริงๆ เพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายอาตมาเคยเอาเพลงมาเปิดให้ฟังแล้วจําได้ไม่เอ่ยนั่นแหละโยมเอามานั่งไล่เลยเนี่แหละคือคําแผ่เมตตาแบบนี้แต่ในคําแผ่เมตตาของพอมา่าจะมีการแผ่ให้กับสามเณรให้กับพระภิกษุให้กับอุบ า, ส, บบาสิกาเพิ่มเข้ามาด้วยนะให้กับอุบ า, ส, บบาสิกาเพิ่มเข้ามาด้วยยังไงเดี๋ยวอาตมาจะฝากนะถ้าใคร อ, อยากจะร้องเคย เคยได้ชี้ไปแล้วนี่ใช่ไหมพร้อมแล้วก็พร้อมคําแปลก็มีแล้วใช่ไม่ใช่คําแปลที่เป็นภาษาไทยได้กันแล้วหรื อ, อยังบางคนาได้แล้วบางคนยังไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าคุณหมูจะได้โหลดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะเพราะฉะนั้นโยมไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้นะรวมไปถึงคําแผลไม่ตาด้วยนะเะฉะั้นโยมลองไปหาลองไปโหลดดูกันแล้วกันนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี <c oughs> นะอนุโมทนาต้องอนุโมทนาคุณวิธิรงค์นะเทคโนโลยีไม่ได้ประฟังอาทิตย์นี้ประมาณวันอังคารโยมก็สามารถที่จะไปโหลดได้ล้นะก็ต้องขออนุโมทนาคุณหมูด้วยนะเป็นในเรื่องของการเผยแพร่ตรงส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากโยมให้ไปค้นคว้ากันนิดหนึ่งนะแล้วก็เนื่องจากเป็นเพลงก็จะง่ายนะบางคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าติดนะอาตมาเอาไปเล่าให้ฟังแล้วก็เอาไปฝึก เอาไปสอนให้ที่รามาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นติดแล้วพอขึ้นรถปุ๊บจะต้องกดฟังเพลงนี้นีเเ่เพลงเพลงพงเพลงอื่นเนี่ยไม่อยากฟังแล้ะนะฟังแล้วมันไปฟ้อ ง, ง, งของทฟองข่าวมันก็ไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ฟังนี้ขับรถไปแผลไม่ตาไปมันรู้สึกมีความสุขมากกว่านะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยิ่งดีดีขึ้นไปกว่านั้นคือเรารู้ความหมายเราท่องได้ในขณะที่เราแผลแบบนั้นเราก็นึกไปให้รู้สึกถึงสรรพสัตว์รุดนึกถึงอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุทั้งหลายสรรพสัตว์ท กลายเป็นโยมแทนที่เป็นการฟังเพลงเป็นเรื่องของการฝึกจิตไปด้วยเพลงเป็นแค่ส่วนช่วยดนตรีเป็นแค่ส่วนช่วยในเรื่องของอคำสวดที่จะทำให้เราท่องจำได้ง่ายกนะันว่างเมื่อไหร่แทนที่จะไปร้องเพลงนู่นร้องเพลงนี่เราเอาคำแผ่เมตตานี้ขึ้นมาร้องดีกว่าแล้วก็น้อมจิตน้อมใจพร้อมกับคำแปลไปด้วยถ้ารู้ความหมายแล้วจะไม่ยากเลยนะจิตใจเราก็จะอยู่กับความดีงามอยู่ได้ตลอดเวลา อามีคำถามไม่เอ่ยในการแผ่เมตตาออกไปยังทิศ ต, ต่างๆทั้งสิบทิศไม่มีนะจากนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาออกไปยังทิศ ต, ต่างๆทั้งสิบทิศได้แล้วท่านจะแผ่ให้แผ่ออกไปไม่มีปร ะ, ประมาณตอนนี้จะรวมทั้งสิบทิศเข้าด้ดยกันละไม่จำกัดทิศไม่แบ่งแยกสัตว์บุกคนเราเขาทั้งสิ้น ไม่แบ่งแยกว่าทิศไหนเมื่อกี้ยังแบ่งแยกใช่ไหมเหมือนกับตอนแรกที่เราแผลเราแบ่งเป็นคนสี่กลุ่มและจากนั้นรวมคนสี่กลุ่มไม่แบ่งแยกแบ่งแบบไม่เฉพาะเจาะจงเป็น5แบบแบบเฉพาะเจาะจง7จแบบจากนั้นแบ่งแผลไปยังทิศต่างๆทั้ง1ิทิศคราวนี้แผลออกไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้ง10บทิศโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าทิศไหน ตอนนี้เนี่ยแหละจึงจะเป็นขั้นที่เราเรียกว่าเป็นอัปปมัญญานะคือแผ่ออกไปไม่มีประมาณนะเป็นอัปปมัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากแต่ละทิศแต่ละทิศแต่ละทิศให้คล่องก่อนนะพอเนึกถึงทิศเหนือเอาแล้วแผ่ออกไปนึกถึงทิศใต้ตแผ่ออกไปได้นะนึกถิึนทีต่ตะวันออกตะวันตกแผ่ออกไปได้แผ่คล่องอย่างนี้เรานึกถึงสรรพสัตว์ทุกทิศได้เลย ครานี้มันจะแผ่ออกไปไม่มีประมาณนะไม่ว่าทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างใครทำนั่นนี้จิตจะเข้าสู่อาสมาธินะเพราะจะไม่มีการแบ่งแล้วมีแต่ภาวะจิตไม่ตาแผ่ออกไปไม่มีประมาณอย่างเดียวนะเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้นั่งก็จะนิ่งสงบผ่องใสสว่างอยู่ตลอดเลยจิตมีแต่ความสุขจิตจะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มเอิบ แห่ออกไปได้ใครทําได้คล่องมันทําไว้ได้ดีจิตใจของเราจะสามารถบรรลุได้ถึงขั้นฌานเลยนะเรียกว่าเข้าสู่อัปปนาสมาธินะถึงขั้นฌานส่วนจะได้ฌานขั้นไหนนั้นขึ้นอยู่กับโยมฝึกนะเข้าในขั้งแรกในช่วงแรกๆ ก, ก็ได้ฌานขั้นที่หนึ่งโยมมันทาาําบ่อยๆถ้าจิตสงบระงับลงไปมากกว่านั้นก็จะเข้าสู่ฌานขั้นที่สองได้ สงบมากกว่านั้นก็จะสามารถเข้าสู่เมตตาเจโตวิมุตต์ถึงฌานขั้นที่สามได้เมตตากรรมฐานนั้นจิตจะสงบได้ถึงฌานขั้นที่สามเท่านั้นรูปฌานขั้นที่สามเท่านั้นเพราะยังประกอบด้วยความสุขอยู่นะเพราะรูปฌานขั้นที่สีนั้นจะเป็นภาวะอุเบกขาอันนั้นจะต้องไปใช้อปปมัญญาหรือพระวิหารอย่างที่สีคืออุเบกขาเวทอุเบกขาแทน เมตตากรรมาฐานเมตตากรุณาผูทิตาจะได้ถึงฌานขั้นที่สามเท่านั้นแต่แม้เพียงแค่ได้ฌานขั้นที่ห น, นึ่งเนี่ยอนิสงส์มากมายมหาศาลนะอ น, นิสงส์มากมายมหาศาลเลยนะพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เลยนะว่าบุคคลแม้จะให้ทานมากมายสักเพียงใดก็ตามก็ยังไม่เท่ากับบุคคลนั้นรักษาศีลบุคคลนั้น รักษาศีลให้ดีมากแค่ไหนก็ตามนะยังไม่เท่ากับบุคคลนั้นได้ปฏิบัติเมตตากรรมาฐานเพียงแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนะมันผู้ที่เข้าเมตตาเจโตวิมุตตคือได้ถึงเมตตาฌานเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยอา น, นิสงส์มากกว่ายมรักษาศีลมาตลอดชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งให้ทานมากมายมหาศาลอีก นั่นคืออนิสงส์อีกอย่างหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมียักไปถามพระสมมาสัมพุทธเจ้านะยักไปก็สรรเสริญ ส, สติเป็นยอดในโลกสติเป็นเลิศที่สุดในโลกผู้มีสติย่อมระ ง, งับเวรภัยทั้งปวงได้นี่คือยักไปการาบทูลพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่สติหลอกที่เป็นยอดในโลก เมตตาเจโตวิมุตตังหากเป็นยอดในโลกผู้มีเมตตาเจโตวิมุตย่อมระ ง, งับเวรภัยทั้งพวงไดนะ้เพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องไปแก้กรรมนะไม่ต้องไปนั่งแก้กรรมไม่ต้องไปนั่งให้ใครสแกนกรรมมาทำอะไรนะชาติแล้วทำอะไรฉันเคยทำอะไรจะต้องแก้กรรมอย่างไรวิธีการแก้กรรม แก้เวรภัยได้ดีที่สุดคือโยมเจริญเมตตาเจโตวิมุตให้ได้นี่คือคําของพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญเมตตาเจโตมิมุติได้ย่อมระงับเวรภัยทั้งปวงได้หมดสิน้นะย่อมระงับเวรภัยทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นโยมเจริญเมตตากรรมาฐานให้มากๆากนะถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนเรารู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกดวงตกรู้สึกว่าอะไรละ่ะมีบาปกรรมมีเคราะห์กรรมเข้ามากระหนําเหลือเกิน ปีกพิเภกออกมาจเจริญทีเมตตาเจโตมิมุตสะจะระ ง, งับเป็นภัยทั้งปวงได้เพราะว่าอะไรยมลองสังเกตเถิดที่เรียกว่าเป็นครอบกรรมนี่เพราะอะไรมันเข้ามากระทบแล้วยมไม่ชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับยมยมจึงรู้สึกเป็นทุกข์มากใช่ไม่ใช่ยมถึงรู้สึกว่าตอนนั้นมันมีเคราะหมากเพราะเรื่องที่ไม่ชอบใจเรื่องที่เข้ามากระทบที่ทําให้เราไม่สบายใจเป็นทุกข์มันมีมากเราจึงเรียกว่ามีเคราะห์มากจริงหรือไม่จริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า บางคนบอกว่าโอ้เนี่ยทํากิจการงานหน้าที่โอ้โหลูกค้าไม่เข้าเลยเจ๊งเนี่ยเป็นเคราะห์ไอ้ที่เป็นเคราะห์นี่เพราะว่าอะไรเพราะเราอยากมีกําไรแล้วเราไม่ถูกใจที่มันเจ๊งเรารู้สึกจริงรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็น เ, รรเนคราะห์พระสมมาสัมพระติจ้าท่าน จ, จึงตรัสไว้ว่าความโกรธนั่นแหละเป็นเคราะห์อย่างยิ่งไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบหรอกความโกรธนั่นแหละเป็นเคราะห์อย่างยิ่ง ผู้ที่มีความโกรธมีความแค้นนั่นแหละคือผู้ที่มีเคราะนะให้โยมจำเอาไว้อย่างนี้เลยถ้าโยมไม่มีความโกรธไม่มีความกระทบกระทั่งจิตใจนั่นแหละโยมไม่มีเคราะ์ต่อให้สิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามโยมจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเคราะห์เลยถ้าโยมไม่มีความโกรธไม่มีความขิดนขัดไม่ถูกกระทบกระทั่งใจใช่หรือไม่ <c oughs> แล้วอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความโกรธเมตตาเห็นไหมก็จะมาเข้าได้กับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเลยผู้เจริญเมตตาเจโตมิมตหรือเจริญเมตตาฌานย่อมระ ง, งับเวรภยัยหรือคราบกรมทั้งผูงได้ <c oughs> ก็คือระ ง, งับความโกรธทั้งหลายหมดสิ้นเลย เพราะฉะนั้นพอความโกรธความกระทบกระทั่งหมดแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเจอกับเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายหรือที่ไม่ดีแต่เพราะจิตใจเราดีงามเรากลับเห็นโอกาสที่จะทําประกอบคุณงามความดีเราจะไม่รู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นคือเคราะห์แต่กลับกลายเป็นโอกาสสําหรับเราในการประกอบคุณงามความดีหรือฝึกพัฒนาตนเองมันไม่ใช่เคราะห์แล้วมันจะกลับกลายเป็นโชคนะปัญหาต่างๆที่มากระทบกลับกลายเป็น โชคเป็นโอกาสของเราในการฝึกตนในการพัฒนาคุณงามความดีเพราะฉะนั้นจเจริญให้มากๆน ะ, จะเจริญให้มากๆอ้าวมีคำถามไหมเอ่ยในเรื่องของเมตตาแผ่ออกไปแบบเป็นอปิมัญญาจเจริญพรจะตัดโทสะได้ขาดเฉพาะตอนอยู่ในเมตตาเจโตวิมุตตแต่จะไม่สามารถตัดโทสะได้ถึงแรกเงาเหมือนกับตอนที่เราปฏิบัติวิปัสสนา ถูกต้องยังอยู่ในขั้นของสมถะเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตา บ, าบา่อยๆความโกรธไม่เกิดถ้ายมเจริญขึ้น่งทุกวันเนี่ยจะจะสังเกตได้เลยว่าจิตใจมันกระทบกระทั่งน้อยมากนะหรือแทบไม่กระทบกระทั่งเลยแต่ถ้ายมไม่ฝึกเป็นประจำสิ่งต่างๆนี้เสื่อมได้เจริญพอถูกต้องเราจะใช้คําพูดมาช่วยในช่วงแรกอย่างเช่นตามที่ต่างๆ ตามที่ต่างๆทั้งสิบทิศเราจะใช้คําพูดมาช่วยเฉพาะในช่วงแรกเท่านั้นเองแต่ถา้าจิตเราสงบดีเนี่ยเรานึกถึงสรรพสัตว์ที่อยู่ในทิศนั้นแล้วรู้สึกถึงสรรพสัตว์ที่อยู่ในทิศนั้นกำลังมีความสุขได้เลยใช่ไม่ใช่อันนี้คือคนที่ทําได้คล่องแล้วแต่ถ้าคนยังทําได้ไม่คล่องจําเป็นที่จะต้องใช้คําพูดเหล่านี้เข้ามาช่วยในการน้อมจิตก่อนจเจริญนพอได้ทั้งสองอย่างจะเริ่มต้นด้วยการจเจริญเมตตาเลยก็ได้ถ้าเทียบแล้วนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ การเจริญเมตตาเนี่ยทำได้ง่ายกว่าการเจริญอนาปานสติเสียอีกเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานของบุคคลอยู่แล้วที่ต้องการความสุขเพราะเวลาเรานึกว่าเรามีความสุขหรือนึกปรารถนาดีให้คนที่เรารักมีความสุขเนี่ยเราจะรู้สึกดีในขณะที่เรารู้สึกดีเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วจิตใจมันจะสงบได้ง่ายแต่อนาปานสตินั้นเป็นการเพ่งลมหายใจเราจะเห็นอาการความคิดที่มันวิ่งวนเยอะมาก คนที่ฝึกใหม่ๆจะรู้สึกว่าสงบได้ยากอันนี้เท่าที่อาตมาทดลองสอนมานะเพราะไปบางที่เนี่ยบางทีสอนเด็กเนี่ยอาตมาไม่ได้สอนอาณาปณสติเป็นตัวตั้งต้นเลยจะสอนเมตตาเป็นตัวตั้งต้นพอเขามีจิตเมตตาดีแล้วเวลาเข้ามากําหนดลมหายใจเขาสงบเร็วเพราะอา น, นิสงส์หนึ่งในสิบอดข้อของเมตตาธรรมาฐานก็คือจิตจะสงบตั้งมั่นได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงเป็น เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําให้ทุกคนปฏิบัติเป็นประจําที่เรียกว่าเป็นสัพพัตกะกรรมฐานนั่นเองเจริญฟ้องถูกต้องควรจะทําอย่างนั้นถ้าเราจะทําแบบเต็มรูปแบบถูกต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนทําได้คล่องแล้วนะเขาไม่จําเป็นต้องไล่ตั้งแต่ต้นล่ะเขาก็สามารถที่ที่จะแผ่ออกไปไม่มีประมาณได้เลยเหมือนกัน แต่ถ้าคนยังทําไม่คล่องจะทําไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นถ้าไล่แต่ละขั้นยังไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเราแผ่ออกไปไม่มีประมาณยังไม่ได้เจะเรียนพอถ้าทําได้คล่องแล้วจะเป็นอย่างนั้นและถ้าทําได้คล่องแล้วเนี่ยจะแผ่เมตตาให้ตัวเองเขาสามารถน้อมจิตได้เลยแผ่เมตตาให้คนที่รักน้อมจิตได้เลยแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูน้อมจิตขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถแผ่เมตตาให้บุคคลต่างๆได้เลยทันทีเหมือนกัน ไม่ใช่เพียงแค่ปัญญาเท่านั้นจะเรียนพอพิจารณาต่อเป็นเวทนานุพสนาต่อได้เลยอ่าเหมือนเวลาปฏิบัติพวกสมถะพวกนี้ก่อนเนี่ยข้อดีก็คือว่าเป็นสุขาปฏิปทาใช่สุขาปฏิปทาแต่ว่าขีปปาพิญญาหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง น, นะนะสุขาปฏิปทาเพราะว่าผู้ที่ฝึกสมถะประเภท นี้มาก่อนเนี่ยเวลาเข้าเข้าสมาถะกรรมฐานเข้าสมาธิจิตมันผ่องใสมีความสุขนะพอผ่องใสมีความสุขเสร็จปุ๊บเลิกกาหนดเอาเวทนาขึ้นมากําหนดเอาสุขนั้นมากําหนดจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความสุขเป็นเวทนานุ ป, ปัสนาต่อได้เลยเจริญพรพิจารณาไตรลักษณ์ต่อได้เลยจากเวทนาจากนั้นก็จะไปที่จิตไปที่ธรรมหรือจะกลับมาที่รูปอีกทีหนึ่งก็ยังได้เจริญพร อ้าน ะ, จะเจริญพรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาและ ว, วันนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะลํา ด, ดับก็หวังว่าโยมจะไปฝึกแผลไม่ตานะอย่างน้อยที่สุดแผลให้ศัตรูให้ได้นะตอนนี้แบบฝึกหัดเลยนะต้องเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นโชคดีของโยมเลยล่ะนะนะกาลังมีแบบฝึกหัดเลยอยากรู้ว่าแผลได้คล่องไม่คล่องเอาหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านสักนิดหนึ่ง <c oughs> ถ้ายังโกรธอยู่ก็เอเราจะแซงอะไรงแผ่ได้ไม่คล่องดีแล้วเอามาเป็นแบบฝึกหัดในการแผลต่อได้เลย นะอ้าว น, น ะ, จะเจริญพรอ้าวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเชิญโยมแผม่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์กัน